จะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารคือสิ่งที่เหลืออยู่เพราะพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารข้าพเจ้าใส่ใจในเรื่องพระนิพพานเพราะนึกถึงแล้วทำใจให้โงนสนเทตกลงประพฤติปฏิบัติเรื่อยๆไปถึงพระนิพพานเมื่อไหร่ก็รู้ได้เองผู้ตอกกล่าวว่า พระนิพพานไม่ใช่ศูนย์คือของเก่าดับไปของใหม่เกิดแทนเช่นพระโสดาบันละสังโยชน์สามได้หมดทุกมีชาติเป็นต้นก็ดับไปได้มากที่เหลืออยู่ก็น้อยคือหนึ่งชาติสมชาติหรื อ, อยังช้าเพียงเจชาติและมีความไม่ตกตามเป็นธรรมดาคือปิดอบายแล้วเป็นผู้มีอริยมรรคกำหนดแน่แล้ว มีอันจัตรัสรู้ได้เองในเบื้องหน้าเพราะลาสักยะทิฏฐิหมดไปจึงมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแทนและลาวิจิกิจฉาหรือศิลพัดหมดไปจึงมีอ จ, จะลัสัทธามาแทนคือสัทธาไม่หวั่นไหวมั่นคงเช่นพราสกัาคามีทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะมาเกิดในโลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้น ก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่เรียกว่าธทมของเก่าให้หมดไปจึงมีของใหม่เกิดขึ้นแทนคือคุณธรรมที่ยิ่งกว่าพระโสดาบันขึ้นไปส่วนพระอนาคามีละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้แล้วเกิดในสุดทธาวาดโพรมโลกและจักปรินิพานในที่นั้นนี่เรียกว่าทมกิเลสและชาติภพซึ่งเป็นของเก่าให้หมดไป ของใหม่เกิดขึ้นแทนคือเพราะท่านสิ้นไปจากกรารมราคะสังโยชน์จึงถึงพร้อมด้วยองคุณกล่าวคือใจที่สงัดจากกามมาแทนและท่านสิ้นไปจากปฏิฆะสังโยชน์จึงถึงพร้อมด้วยองคุณคือเมตตากรุณามาเกิดแทนพระอริยาสาวกที่ได้บรรลุเสขคุณแล้ว ชือว่าจักอุปาทิเสสนิพานส่วนพระอาหารหันตัญหาความอยากสิ้นแล้วสิ้นอาสวะอยู่จบโรมอาจาร์แล้วมีกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วลงภาระแล้วมีประโยชน์ตนถึงโดยลําดับแล้วมีสังโยชน์ิภพสิ้นแล้วผลวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงด้วยอาการอันชอบ ส่วนกิเลสอาสวะที่พระอรหันต์ละได้หมดสิ้นเชิงและสิ้นชาติไม่มีปฏิสนธิในภพ ค, คืออนุปาทิเสสปริณิพัน์นี้ชื่อว่าธรรมของเก่าคือสมุทัยกับทุกข์ให้หมดไปของใหม่เกิดขึ้นแทนนั้นคือถึงพร้อมด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าอริยวาสธรรมคือธรรมะเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการ ประการที่หนึ่งปัญจัควิปหีโนมีองค์ห้าคือนิวรัลละเสิแล้วประการที่สองฉลังคัสมนนาณาคโตประกอบด้วยองค์หกคือฉลังคุเบขาประการที่สามเอการักโขมีธรรมรักษาทั่วกันอันหนึ่ง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 มีของจริงเฉพาะอันอันหนึ่งบรรเทาเสียแล้วคือละมิจฉาทิฏฐิสิบอันเป็นอัพยกตะวัตถุมีเห็นรูปเที่ยงเป็นต้นประการที่6สมาวิยสตาเทสนมีความสแสวงหาอันให้สะเทือนละเสียโดยชอบแล้วคือละความสแสวงหาสามอย่างคือกามหนึ่ง พบหนึ่งรมจันทร์หนึ่งประการที่7อนาวิลาสังกัโปมีความดำริอันไม่คุณมัวคือละความดำริที่ประกอบด้วยกิเลสกรมวัตถุกรามและวิตกที่ประกอบด้วยพยาบาทและวิหิงสาประการที่8 ปัทธะกา ย, า ส, ากายาสังขารโรมีกายสังขารคือลมอัศะระงับแล้วหมายถึงบรรลุจตุถะฌานฌานที่สประการที่9สุวิมุตตจิตโตมีจิตพ้นวิเศษดีแล้วคือมีจิตพ้นจากราคะโทสะโมหะ